สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่เก้าสิบสองสุภาษิตครั้งที่เก้าสิบสองพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในสุภาษิตบทที่สิบหกข้อสี่ถึงข้อที่เจ็ดครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าสุภาษิตบทที่สิบหกข้อที่สี่ถึงข้อที่เจ็ดพระเจ้าทรงกระทําให้ทุกสิ่งมีเป้าหมายของมันแม้คนชั่วร้าย ก็เพื่อวันลำเค็นทุกคนผู้จองหองเป็นที่น่าเกลียดน่าชาังแก่พระเจ้าจงแน่ใจเถิดเขาจะพ้นโทษก็หามมิได้ความจงรักพักดีและความสัตย์ซื่อได้ลบมลทินบาปชั่วและคนหลีกความชั่วร้ายได้โดยความยาเกรงพระเจ้าเมื่อทางของมนุษย์เป็นที่โปรดปรานแก่พระเจ้าแม้ศัตรูของเขานั้นพระองค์ก็ทรงกระทาให้คืนดีกับเขาได้ พี่น้องครับพระจ้าของพระเจ้าสี่ข้อในเช้าวันนี้ก็จะเห็นถึงสองด้านด้วยกันด้านสําหรับคนที่ดีและด้านหนึ่งสําหรับคนที่ชั่วร้ายข้อสี่และข้อที่ห้าได้พูดถึงคนชั่วร้ายพระเจ้าทรงกระทําให้ทุกสิ่งมีเป้าหมายของมันแม้คนชั่วร้ายก็เพื่อวันลำเข็งข้อห้าพูดถึงเรื่องของคนที่จองหองคนที่จองหองนั้นเป็น ที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าและเขาจะได้รับการลงโทษอย่างแน่นอนพี่น้องครับคนชั่วร้ายคนจองหองนั้นไม่ได้เป็นนามาไยของพระเจ้าที่พระเจ้าให้มนุษย์เป็นแต่มนุษย์นั้นได้เลือกที่จะเป็นและไม่ยอมอยู่ภายใต้อานัตของพระเจ้าไม่ยอมอยู่ภายใต้เป้าหมายที่พระเจ้าได้ตั้งไว้สําหรับมนุษย์เขานั้นได้ออกจากเป้าหมาย ทำให้เขานั้นพลาดเป้าคำว่าพลาดเป้านั้นแปลว่าความบาปครับคนที่ชั่วร้ายทำบาปและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าจุดหมายปลายทางของคนชั่วร้ายนั้นก็คือการถูกลงโทษการถูกทำลายวันแห่งความยากลำบากยามวันแห่งความลำเค็นแสนสาหัสข้อที่ห้าพูดถึงเรื่องของคนที่จองหองพระเจ้าทรงรังเกียจ คนที่หญิงแสโสคนจองหองและคนเหล่านั้นเขาจะต้องได้รับโทษจากการกระทาของความหญิงยะโส ổ, จองหองไม่พึ่งพระพเจ้าของเขาพี่น้องครับพระเจ้าได้ทรงให้ทุกสิ่งนั้นมีจุดหมายปลายทางมีจุดจบจุดจบของคนชั่วร้ายก็คือการถูกทําลายจุดจบของพวกเราซึ่งเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อความศรัทธาในพระเยซูคริสต์จุดจบของพวกเราก็คือแผ่นดินสวรรค์ เราต้องพยายามเข้าใจนะครับว่าการพิพากษาของพระเจ้านั้นยุติธรรมยุติธรรมต่อทั้งผู้ที่กลับใจและยุติธรรมต่อทั้งผู้ที่ไม่กลับใจและคําสอนนี้มีอยู่ทั่วไปในพระเจนะของพระเจ้านะครับเรื่องของการทรงรู้ล่วงหน้าและการกําหนดล่วงหน้าของพระเจ้าแล้วพี่น้องครับเราจะไปดูในข้อที่ห้าแล้พบว่าข้อที่ห้านั้นพระเจ้าทรงลังเกียจคนที่หญิงยสวงและเขาจะไม่ได้รับการยกเว้นจากการทาโทษครับ พระเจ้าทรงเกลียดชังการไม่พึ่งพาพระเจ้ า, ราพระเจ้าทรงเกลียดชังความยื่หยิงพระเจ้าทรงเกลียดชังอีโก้ของตัวเองและส you ิ anymore, ่งเหล่านั้นนะครับทําให้มนุษย์หลุดจากทางของพระเจ้าความเยื่หยิงความจองของการไม่พึ่งพาพระเจ้าและการคิดว่าตัวเองนั้นถูกเสมอหรืออีโก้ทําให้มนุษย์หลุดจากทางของพระองค์ครับและไปทําชั่วดังนั้นเขาจะต้องได้รับ การลงโทษจากการทำชั่วการทำไม่ดีของเขาและด้วยเหตุนี้เองในข้อที่ห้าทำให้เรารู้ว่าจงแน่ใจเถิดเขาจะพ้นโทษก็หาไม่ได้แน่ใจครับพี่น้องแน่ใจไหมครับว่าคนชั่วร้ายนั้นจะได้รับผลแห่งการกระทำของเขาข้อที่หกครับกลับมาพูดถึงเรื่องของความจงรักภักดีความรักและความสัตซ์ซื่อซื่อสัตย์พเพราะฉนั้าของพระเจ้ากล่าวว่าความจงรักภักดี และความซื่อสัตย์ได้ลบมลทินบาปชั่วตรงนี้มีความหมายหลายอย่างครับบางคนอธิบายว่าคนที่รักพระเจ้าและคนที่ซื่อสั่งกับพระเจ้าเขาจะได้รับการยกโทษให้อภัยบาปอันนี้ก็แน่นอนครับแต่ก็มีบางกลุ่มอธิบายว่าตรงนี้น่าจะเป็นความรักของพระเจ้านะครับและความซื่อส่อของพระองค์ ลักษณะของพระองค์ทั้งสองประการนี้ทำให้มนุษย์นั้นได้รับการลบปนผินลบบาปได้รับการยกโทษจากความผิดความบาปเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะตีความเ พ, พิ่มพีหรือแปลความเ พ, พิ่มพีทั้งสองแบบเราจะเห็นว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่เริ่มต้นความรักของพระองค์และความรักของพระองค์นั้นเมื่อมาถึงมนุษย์มนุษย์ตอบสนองด้วยความจงรักภักดีต่อพระเจ้าและความสัตรู ของพระเจ้านั้นก็จะทําให้พระองค์นั้นทรงรักษาคามั่นสัญญาในเรื่องของการยกโทษให้อภัยบาปและเดสตินีหรือจุดหมายปลายทางของคนที่อยู่ในความรักของพระเจ้าอยู่ในความศรัทธาของพระองค์พระองค์จะทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์กับผู้ที่รักพระองค์เสมอในขณะเดียวกันครับการตอบสนงองของมนุษย์ที่ควรจะมีต่อพระเจ้านั้นก็คือการรักพระองค์อย่างจงรักภักดีและ ใช้ความสัตย์ซื่อที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับเราเป็นตัวอย่างกับเรานั้นได้ตอบสนองต่อพระองค์ด้วยการรับใช้พระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยความรู้สึกที่ถ่อมจิตถ่อมใจลงพี่น้องครับให้เรามีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าสัตย์ซื่อต่อพระองค์ครับแล้วพระองค์จะทรงยกความผิดของเราเราจะสามารถหลีกหนีกับจากความชั่วร้ายได้ครับโดยพระองค์จะทรงนําเราให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย คนเจริญนี้จากความชั่วร้ายได้ด้วยความยำเกรงพระเจ้านะครับให้เรามีอุปนิสัยนะครับอย่างที่จําเป็นมากก็คือความยำเกรงพระเจ้าความเกรงกลัวพระเจ้านั่นเองพีนน่น้องครับการเชื่อฝังพระเจ้าและไม่ทําความชั่วจะทําให้ความชั่วร้ายต่างๆไม่มาถึงเราโปรดฟังครั้งนะครับการเชื่อฝังพระเจ้าไม่ทําความชั่ว การเกรงกลัวพระเจ้าจะทําให้ความชั่วร้ายต่างๆไม่มาถึงเราหรือมาถึงเราไม่ได้ครับต่อไปครับเป็นข้อที่เจ็ดเมื่อทางของมนุษย์เป็นที่โปรดปรานแก่พระเจ้าศัตรูของเขานั้นพระองค์ก็จะทรงกระทําให้คืนดีกับเขาได้เมื่อเราทําให้พระเจ้าขอพระทัยครับพระเจ้าจะช่วยเราให้ศัตรูของเรานั้นคืนดีกับเราครับแปลกนะครับพี่น้องครับ หลายหลาคนปฏิบัติต่อศัตรูแบบศัตรูหลายหลาคนปฏิบัติต่อศัตรูเหมือนกับที่ไม่มีศัตรูก็คือว่าเหมือนกับเขาไม่มีตัวตนแต่หลายหลาคนนะครับสามารถที่จะคืนดีกับศัตรูของเขาได้โดยการช่วยเหลือของพระเจ้าครับเมื่อทางของเรานั้นเป็นที่โปรดปานแก่พระเจ้าหมายความว่าเมื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เราคืนดีกับศัตรูเราจะต้องถ่อมใจลง ยอมเชื่อฟังพระองค์และด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าทำให้ในที่สุดนั้นจะเกิดผลดีครับศัตรูของเราจะคืนดีกับเราและนี่คือน้ำมไทย์หลักของพระเจ้าครับที่จะให้เรารักคนอื่นเหมือนอย่างที่โรรองทรงรักเราพี่น้องครับผมอยากจะจบในวันนี้ด้วยคำพูดที่ว่าหากคนใดคนหนึ่งนั้นยอมเชื่อฟังพระเจ้าทําตามการทรงนาของพระองค์ ด้วยความยำเกรงพระองค์พระเจ้าก็จะให้เขาเป็นที่รักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้นหากคนนั้นยอมเชื่อฝั่งพระเจ้ายำเกรงพระองค์ทำตามการทรงนำของพระองค์แล้วก็พระองค์จะให้เขาเป็นที่รักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้นอาเมน